ธรรมชาดกแผ่นที่8ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21กุมภาพันธ์ส5มีชื่อเรื่องว่าพาหิยะไม่เคยสละผ้าทำบุญ วันนี้เจ้าภาพจะถวายกุฏิใช่ไหมเจ้าภาพกุฏิจะถวายกุฏิฉันจังหวันเสร็จแล้วก็ไปถวายกุฏิไปที่กุฏิใหม่เราพระไปห้าองค์ไปมากไม่ได้แล้วล้นกุฏิกุฏิมันน้อยไม่มีที่นั่ง เอาปจะฆ่าองค์ น, ะนับจากหลวงพ่อลงไปนะ่ยหลวงพ่อในองค์ที่หนึ่งนะนับลงไปอีกสองคอ์เท่าไรก็เท่านั้นแหละเอาไปที่กุฏิใหม่กุฏิใหม่ลานมันปฐมวันบ้านปากลางสร้างเสร็จแล้วก็จะถวายกุฏิกับญาติพี่น้องเองผื่อฝูงผู้ใดอยากจะเข้าไปข้างในก็เข้าไปได้นะวันนี้นะ เข้าไปถวายกุฏิที่พักสงฆ์พึ่งสร้างเสร็จใหม่สองปีมานี้หลวงพ่อเปิดโอกาสให้คณะธาติญาติโยมสร้างกุฏิแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อกอ็ไม่ค่อยจะให้สร้างเท่าไหร่เพราะมันกุฏิมันมากแล้วแต่สองปีมานี้ทั้งแต่มีตำหนักฟ้าหญิงไปอยู่ทางป่ามะม่วง มีกุฏิพระอยู่ห้าหกหลังบริเวณนั้นแต่นี้ขณะที่ท่านเสด็จพระอยู่ในถิ่นนั้นก็จะต้องแยกย้ายออกจากถิ่นนั้นเพราะอยู่ใกล้ตำหนักเกินไปบางทีวัดของเราก็กว้างขวางแต่ในหลวงพ่อก็มาคิดว่าในเมื่อพระไม่ได้อยู่ในถิ่นนั้นห้าหกหลังก็งวรจะสร้าง กุฏิทั้ฝ่ายพระนี่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักห้าหกหลังเพื่อชดเชยกันแต่ทั้งห้าหกหลังป่ามะม่วงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะปิดเลยก็ไม่ใช่ในขณะที่พระองค์ท่านเสด็จทั้งตำรวจทหารรักษาความปลอดภัยกับพระสงฆ์ก็ไปอยู่แถวนั้นดูก็ไม่เหมาะกะควรจะให้แต่ฝ่ายหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัย สำหรับกลุ่มของท่านอยู่ในถิ่นนั้นส่วนพระสงฆ์ก็ควรจะออกมาอยู่ในมุมอื่นที่วัดของเรากว้างตั้งพันกว่าไร่มีที่หลบที่หลบมากที่ที่อยู่อาศัยมากของพระสงฆ์แต่ทีนี้ถึงยังไงแต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้สร้างกุฏิไว้ในละแวกนั้นที่ป่ามะม่วงที่ฟ้าหญิงที่ทุนกระหม่อมประทับ ก็เป็นกุฏิห้าหกหลังในช่วงที่ท่านประทับ พ, พระสงฆ์อยู่ก็ยังไงก็ถ้าหากจะเคลื่อนย้ายออกมามันก็เสียกุฏิไปทั้งห้าหกหลังเพราะนั้นจำเป็นจะต้องมาทำทดแทนทางนี้แหละเพราะนั้นพกนักชาญาิโจมผู้ใดอยากจะเห็นฝ่ายที่อยู่พระสงฆ์นานๆหลวงพ่อจะเปิดโอกาส ให้พวกเราได้เข้าไปชมไปดูแต่ตามไม่จริงการที่ปิดไม่ให้ศรัทธาญาณโยมเพ่นพ่านก็ไม่มีจุดอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นเพียงแต่ว่าเมื่อพระสงฆ์เข้าไปฉันจังหันเสร็จแล้วท่านก็กลับกุฏิของท่านท่านจะไป น, นั่งภาวนาเดินจงกรมสาธยายท่องหนังสืออะไรของท่านก็เป็นเอกเทศของท่าน แต่พอพวกเราศรัทธาญาติโยมมาจากต่างถิ่นต่างแดนคนนั้นก็เข้าไปคนนี้ก็เข้าไปมันไม่ใช่ไปหมู่เดียวมันไปหลายหมู่เลยหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะก่อนมีเด็กพี่ผู้ใหญ่กไปเห็น <c ười> แกล้งเปนเห็นหมูปลาเห็นเลีงข้างบางชนิดอะไรมันก็โบกเวกโปรยไว้ไปตามที่เห็นพระสงฆ์ที่อยู่ต้องการความสงบอยู่ตามลําพังก่อนลำคาญ หรือว่าไม่ได้รับความสงบจากผู้ที่เข้ามาผู้เขาไปเพ่นพ่านในที่อยู่ของพระสงฆ์ปณโหลมพ่อจึงประกาศห้ามมิให้เข้าไปเพ่นพ่านวุ่นวายในเขตสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเสียสละจากบ้านจากเรือนจากสกุลของท่านมาเพื่อภาวนาหาความสงบมาก็มาเจอความวุ่นวาย กับคณะศรัทธาญาติโยมมาชมมาเที่ยววัดก็ไม่น่าจะถูกต้องนะหลวงพ่อจึงห้ามไม่ให้เข้าไปเที่ยวเพนผ่านในวัดให้อยู่แต่บริเวณศาลาหรือว่าใครจะเข้าไปเป็นบางครั้งบางคนหลวงพ่อก็เปิดโอกาสใครจะเข้าไปก็ต้องได้รับอนุญาตซะก่อนแล้วค่อยเข้าไปนี่แหละความหมายก็มีเพียงแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไร เตะว่าต้องการความสงบในหมู่พระสงฆ์วันนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เจ้าภาพจะถวายกุติที่พักสงฆ์หลังนึงหลังยอบย่อมหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทำใหญ่หรแต่รู้สึกว่าจะทำทันสมัยขึ้นเขา่ <c oughs> าทำทันสมัยคำนี้ก็คือตะกอนหลวงพ่อสร้างกุติเหมือนกับอยู่วัดป่าบ้านตาหลวงพ่อได้นำแนวแถวนั้น กุฏิอยู่ด้วยกันสามสีหองค์จะมีห้องน้ำห้องนึงแต่ห้องน้ำนั้นก็จะมีรถเข็นตอนเย็นจะมีรถเข็นเข็นน้ำมาใส่ห้องน้ำมาใส่ห้องน้ำก็พระสงฆ์สามสีหองค์ใช้ห้องน้ำรวมกันร่วมกันกับห้องน้ำนั้นอันนี้คือวัดป่าบ้านตาดพอหลวงพอ่อมาอยู่ใหม่ หลวงพ่อก็คิดในลักษณะนั้นพอเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปความเจริญมันเข้ามาหลวงพ่อก็เลยทําสายน้ําเข้าไปสายน้ําเข้าไปตามคุติมีห้องนองของน้ําด้วยแต่ไม่มีไฟแต่ข้างในไม่มีไฟนะมีแต่บริเวณศาลาของเราเนะี่ยแหละที่มีไฟกระโรงครัวที่พักของพระสงฆ์หลวงพ่อยังไม่เอาไฟเข้าไป เดินไฟเข้าไปมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรเอาแต่น้ำเข้าไปเรื่องน้ำสำคัญกว่าถ้าเดินไปที่มันไกลเพราะนั้นจริงปล่อยสายน้ำเข้าไปสบายเรื่องน้ำไม่มีปัญหานี่แหละอันนี้ก็คือกุติทุกวันนี้ก็มีสายน้ำที่ที่พักพระสง์แต่ลงข้อก็ไม่ได้ทำใหญ่ทำหลังเล็กๆแต่ผู้ใดอยากจะเห็นก็ขาไปดู กับเจ้าภาพนะวันนี้จะมีการถวายถวายกุฏิไว้ในพระพุทธาศาสนาที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวมาแล้วว่าการสร้างเนาาสนาสนะสง์ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่จําเพาะเจาะจงแต่พระองค์ใดองค์หนึ่งไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกับหลวงพอ่อไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพระสงฆ์สมมณเนร มาจากจารตุรทิศคือมาในทิศทั้ง4ก็พร้อมที่จะมาบําเพ็ญมาภาวนาไม่ใช่จะเพาะพระสงฆ์เท่านั้นคณะศรัทธาญาติโยมผูกเป็นฝ่ายอุบาสกที่เข้าไปอยู่กับกลุ่มพระสงฆ์ได้ก็เข้าไปอยู่ได้ฝ่ายกลุ่มวาสิกาก็จัดให้เป็นแผนกหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหนึ่งอีกมุมหนึ่งไอ้อันนั้นก็คือเป็นกลุ่มของฝ่ายอุบาสิกาก็อยู่ใน เขตกำแพงของพวกเราเพราะวัดของเรามันกว้างถึงพันสามกว่าไรแต่ส่วนพระสงฆ์นะกัเป็นกลุ่มสาระสัตย์ไทยญาติโยมจะเป็นอุบาสกเป็นชีปักเขาบําเพ็ญจะรักษาศีลอุโบสถจะเข้าไปบําเพ็ญอยู่กับกลุ่มพระสงฆ์ก็ได้เดินอยองกลมนั่งภาวนาตลอดทั้งวันไม่อยากจะเห็นใครก็ได้อยู่เข้าไปข้างในมันเงียบสงบ เมื่อเราสร้างกุติขึ้นมาแล้วกับเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพระสงฆ์ก็ดีสมมาเนนก็ดีอุบาสกก็ดีที่มาบำเพ็ญเนกขัมคือเนกขัมคือรักษาศีลอุโบสถมาภาวนาอยู่ในกุติของพวกเราที่ได้สร้างเอาไว้หลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นแนวทางการสร้างกุศล พวกเราไม่เด่นภาวนาไม่ได้มาภาวนากิจทุระภาระในบ้านมาไม่ได้พระสงฆ์อุบาสกกูมาบําเพ็ญภาวนากรรมาภาวนาที่กุติของเราถ้าท่านภาวนามาทําความสงบจิตใจของท่านสงบเป็นอัปปนาสมาธิหรือว่าเป็นสมาธิหรือว่าท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จิตใจของท่านเป็นพระอริยบุคคลพระสดาศสกทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์ภาวนาที่กุติของเราหลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลทีเดียวเพราะว่าเราได้สร้างบุญได้สร้างกุติเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นการสร้างเสนาชนะสงฆ์นั่นก็ เป็นบุญเป็นกุศลทางเขาบอกเรามีกําลังพอที่จะสร้างได้แต่ถ้ามันหนักหนาเกินไปอันนั้นก็เหมือนกับเราเห็นคุณค่าอยู่แต่เราทําไม่ได้เพราะมันหนักแลอันนี้ก็เรามีช่องทางอื่นต่างเยอะแยะที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลอย่างองค์หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อนจันวัดต๊เอ้ยเกิดมาในโลกเนี่ย ให้รู้จักสถานะของตนเองเกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นลูกชาวนามีไม่มีทรัพย์สมบัติประว่า ก, กรรมกรรมลิขิตและพรมลิขิตถ้าม า, มาเกิดเป็นลูกชาวนาเราก็มีช่องทางที่จะเดินยงม้มนั่งภาวนารักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สวนทานนั้น เ, เราเราจน เ, เราไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็รักษาศีล ภาวนาทีเดินโยกรมสิ เ, เราอะาไปคิดเรื่องทานถ้าอ น, นิสงสินมีแล้วเกิดพหน้าชาติหน้ามันจะรวยสีเลนสุขติงยันติสีเลนโพก็สัมปทานพะระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วหนึ่งไม่มีสองผู้รักษาสินต่อไปจะเป็นคนรวยด้วยอ น, นิสงสินคุ้มครองณเมื่อรวยแล้วแต่เกิดพหน้าชาติหน้านะเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เราจะทำยังไงก็ได้เราสร้างในเมื่อเรามีอันะกินเราก็ทำบุญทาทานอันนั้นคือวิญญาณฉลาดวิญญาณฉลาดก็คือในขณะที่ตัวตกอับก็ทำในสัทธาถึงทำดีที่สุดในเมื่อรวยขึ้นมาเราก็ใช้แบบรวยให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่ารวยขึ้นมาแล้วก็หุ่นหากินเหล้าเมายา ยาบ่งยามาคัญชายาฟินเทโรอินเที่ยวสัมมาเลเทเมาเล่นการพนงพนันเออมีเงินคือมาร์กจ่างข่าคนนั้นจ่างข่าคนนี้อย่างนั้นอันนั้นแปลว่าวิญญาณโง่เถอะหลวงปู่จามท่านว่าน่ะเนี่ยใจโง่วิญญาณโง่ถ้าวิญญาณฉลาดนะถ้ามีขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักทําบุญ ท, ทําทานรู้จักสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อโลกแต่เมื่อเราจน เราก็ไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาอยู่แบบจนทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยมันความหมันขยันหาเลี้ยงชีพด้วย ท, ยทางสุดจริตนี่แหละอันนี้คือคือครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนเพราะนั้นแนวความคิดอย่างนี้นหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายคณะจัทธทาญาติโยบุบาสกุบาศิกาทั้งหลาย ในเมื่อตัวเองพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้พอมีกำลังเราก็ทำไปแต่จะให้เดือดร้อนตนเองแต่ไม่ทำเสฉยไม่ถูกเพราะว่าเราเกิดมาเราเชื่อเ mm. ชื่อกมเ mm. ชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนไหนที่สงเคราะห์อนุเคราะห์ทำบุญทำทานเกิดมาพบใดชาติใดคนนั้นจะไม่อดไม่อยากไปนักสถานที่ใดการทำมาค้าขายจ ะ, จะเจริญรุ่งเรือง เพราะอเ น, นสง่งสินอเ น, นส่งทานเป็นพลังเกื้อกูลหนุนเราจะไม่ตกทุกข์ได้ยากแต่ท้าว่าเร า, เามีแต่หาอยู่หากินเฉยๆเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็นั่นแหละทุกจนทุกจน เ, เพราะอเ น, นส่งทานไม่มีพระในครั้งพุทธกาลเห็นไหมพระพาหิยะพระพาหยะธารุจริยะ ไ, ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงสาวัตถีกลางถนนนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ารู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นอย่าให้ความสําคัญในการรู้การเห็นนั้นนะพาหิยะท่านตรัสเพียงเท่านั้นได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วท่านี้พระพุทธองค์มองดูบุพกรรมบุพกรรมคือกรรมเก่าในอดีตวะพาหิยะเนี่ยเคยทําบุญกับอัตถบริขารมาไหม อาถรรบริการก็คือบริขารแปดของพระนี่ยมีบาดมีจีวรมีผ้าสังฆาติมีสบงมีสายประคตมีกองเข็มมีมีโกนหนวดตัดเล็บมีไหมไม่เคยประภัยะไม่เคยขนวายไม่เคยทําบุญในเรื่องเหล่านี้เลยมีแต่ว่าบําเพ็ญอย่างเดียวมีอาหารมาก็กินกินและเสร็จแล้วก็บำเพ็ญอย่างเดียวไม่ได้ขนวายเรื่องปัจจัยสี่หรือว่าอํานวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ ไม่เคยทําบุญทําทานในอัตบริขารของพระสงฆ์เลยเพราะพระพุทธองค์พอท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหลานเนี่ยที่ว่าเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้อย่าให้ความสํำคัญในการรู้การเห็นนะภายยะท่านได้สาเร็จเป็นพระหลานคือใจของท่านรู้เห็นจริงจากนั้นพระองค์ก็มองดูบุพกรรมบุพกรรมของพระพายยะไม่มีที่จะทําบุญสงเคราะห์อนุเคราะห์พระพุทธองค์ก็บอกเออพายยะเธอไปหาบริคารเองเถอนะ ท่าได้บริขารมาซะก่อนเธอยังค่อยบวชเธอจงไปเสาะแสวงหาบริขารก่อนนะเธอจึงค่อยบวชตอนนี้พามผายะท่านก็เดินออกจากพระพุทธเจ้าใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันแล้วนะทีนี้แต่ว่าร่างกายเหมือนกับคนเราทั่วๆไปเนี่ยใครไม่รู้ว่าท่านเป็นพระหรหันแต่ใจของท่านเป็นพระหรหันนะท่านเดินออกมาก็กรรมเก่าอีกเหมือนกันกรรมเก่าในอดีตอไปทํา อะไรให้แก่แม่วัววัวตัวนั้นก็ผูกอาคาตอยู่แล้วนั่นกระโดดเขามาชนเข้าไปในท้องล้มหงายผึงท่านก็เลยตายแท่านพระหารตายยังไม่ได้บวชพระสงฆ์ทั้งหลายตื่นกลับมาจากบิณทบาตนมาเห็นพระภั ย, ย ะ, ะพระภัยะเป็นโยมเน่ยตายกลับมาก็เมาพูดสนทนากันพระพุทธองค์ท่านก็เสด็จกลับมาจากกลุ่งสาวัถีมันการบิณทบาตกลับมาแล้วพระพุทธองค์บอกว่า เธอทั้งหลายหาตะแครหาเตียงเนีย่ยเตียงตะแครไปหามไปหามเขามาเผาซะนั่นถ้าเป็นพี่ชายของพวกท่านเป็นพี่ชายของพวกท่า น, เ, น, าอานเอามาเผาซะพอเผาประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปสร้างสักทูบไว้ในทางสีแพ้งให้คนกราบคนไหว้พระสงฆ์ก็ถามทาไมพระพุทธองค์จึงได้ตัดอย่างนั้นพระพองค์บอกว่า พายะเขาเป็นพระาราหันแล้วแต่ร่างกายของเขาเป็นโยมแต่เขาได้สําเร็จแล้วเขาสําเร็จเมื่อไหร่พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าขณะที่เขายือนอยู่ในถนนนั่นแหละเราได้ตรัสเพียงสามบาทพระคาถาเขาเข้าใจในการฟังธรรมจากนั้นเขาได้สําเร็จพระสงฆ์ทั้งหลายก็เอา้าฟังเพียงแค่นั้นก็ได้สําเร็จเหลือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่า อย่าไปพูดว่ามากหรือว่าน้อยการฟังธรรมถึงจะฟังคำสองคำแต่เข้าใจในเรื่องธรรมในคำที่ได้ฟังนั้นอันนั้นแหละเกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าฟังไปแล้วทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีฟังไปแล้วไม่เข้าใจหรือฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ฟังอันนั้นแปลว่าฟังไม่เกิดประโยชน์ฟังทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าฟังเข้าใจสองสามค ก็เข้าใจอันนั้นเกิดประโยชน์มีประโยชน์กว่าที่จะฟังทั้งวันทั้งคืนอันนี้พระพา ย, ยะท่านได้ฟังน้อยเดียวแต่ท่านได้สำเร็จเข้าใจในธรรมแต่ได้สาเร็จแล้วเพราะนั้นเป็นพี่ชายของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายให้นำจรีละของ พ, พา ย, ยะมาไปชมเพลิงซะแล้วก็จัดสถูปขึ้นมาในทางสีแพ่งให้คนได้กราบไหว้คือกระดูกของพระาธาตุของพระอรหรันต์ พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นทีนี้ก็มาพูดยอนดอึกว่าทําไมพระพรยะจึงบวชเอหิภิกุไม่ได้ตามปกติพระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งนั้นอย่างประโกนทะยับพระประปฏทยามาหานามะอจิชิปัญจวคีทั้งหันพอได้สําเร็จแล้วพระพุทธองค์เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้ว ตัดเพียงแค่นี้แหละบริขารลอยมาเลยอไม่รู้ลอยมาจากไหนนะมาเกิดเนี่ยท่านก็ได้สวมใส่ต่านท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเลยนี่แหละอันนี้บอกบวช ด, ด้วยเอหีภิกขุคือบุญบารมีเก่าเคยทําบุญไว้ในอดีตเคยทําบุญทำทานอัดบริขารไว้ในอดีตพอได้สาเร็จเป็นพระหานบุญกุศลที่ทําไวนะ้น่ะอมันเกิดขึ้นด้วยบุญนะ แต่พระภายยะเนี่ยท่านไม่เคยขนขวายในการทําบุญไว้ในอดีตเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเธอภ า, ายะเธอจงไป ส, สวงหาบริขารเถอะก่อนนะยังค่อยบวช น, นี่แหละอันนี้คือบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างเอาไว้ถึงมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายเเมื่อเรามีพอเป็นอาจะกกินพอมีอันจะได้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ อย่างสร้างเจนาชนะสง์หรือว่าทำสิ่งถาวาวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาหรือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนีน้อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลติดภพติดชาติของพวกเรานานเท่านานถ้าพวกเราได้ทํากับพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพระุทธเจ้าพระรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าอันนั้นบุญกุศลมากมายแต่พวกเราจะได้ทําแต่จุดนั้นอย่างเดียวถ้าเราพวกเราไม่เตรียมเอาไว้ อไม่เตรียมเอาไว้ไม่ฝึกเอาไว้เราจะเที่คอยวันนั้นไม่รู้ว่าวันไหนฮะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยทำเอาไว้ก่อนอ่เมื่อเจอวันนั้นเข้ามาพวกเราก็ทําได้แบบคล่องแคล่วฮะเพราะเราได้เตรียมการไว้แล้วแต่ถ้าว่าพวกเรายัางไม่ได้คิดไว้อย่างนั้นไวก่อนเวลาเราจะทําอะไรก็ช้าเชืองช้าเหมือนกันนะคิดไม่ทันนะ อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้ทิ้งเรื่องทาบุญทำทานสั่งสมบรรมีของพวกเราอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายสัตยา ญ, ญาณโยมทุกหมู่ทุกเหล่าก็เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามเรื่องการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ไปที่ไหนก็โดยมากเออเอาพอจะช่วยจุดไหนได้ก็ช่วยอพอจะช่วยวัดวาศาสนาจิงไหนได้ก็ช่วย ที่จะเกิดประโยชน์ทำไปแล้วไม่เกิดโทษทำไปแล้วเกิดประโยชน์ทำไปแล้วสบายใจสร้างไปแล้วสบายใจทำไปแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นควรจะทำแต่ถ้าไม่ทาเราคิดมาเอื้อเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทำให้จิตใจของเราไม่สบายก็ยิ่งเมื่อขา่าวทุกขับขันเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาแล้วเราละลึกถึงคุณงามความดีของเรา เราก็ยังได้แปลวใจเออเมื่อเรายังแข็งแรงอยู่เราก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายเป็นที่ภาคภูมิใจฮจะตําหนิตนเองได้เพื่อภายหลังฮถ้า่าพวกเราทําแล้วเออเพียงพ อ, อ, อการทสร้างบุญสร้างกุศลของเราเยพียงพอเป็นไปได้ขนาดนี้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนหะลับพรในทีนี้นะ